สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคํากฎข้อที่3ครับก็คือกฎแห่งทองคำ พ, พระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมหนึ่งเปรโตบทที่3ข้อ14ครับโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า แม้ว่าท่านทั้งหลายต้องทนทุกข์เพราะเหตุประพฤติการชอบธรรมท่านก็เป็นสุขอย่าทําการร้ายตอบแทนการร้ายอย่าด่าตอบการดา่าแต่ตรงกันข้ามจงวอวยพรแก่เขาพี่น้องครับเมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของมาดามเอลิซาเบธเอเรียตที่เกี่ยวข้องกับ การประกาศข่าวประเสริฐนะครับเพราะว่าสามีของท่านกับเพื่อนๆมิชเนรีสี่น ary, คนถูกฆ่าเสียชีวิตอย่างโหดร้ายแต่ภรรยาก็ยังกลับไปอยู่กับผู้ที่ฆ่าสามีของเธอและประกาศข่าวประเสริฐเราจะเห็นหลักของการตายหนึ่งเกิดหมื่นตายสิบเกิดแสนในเวลานั้นเมื่อ นักประกาศข่าวเผชิญมิชเันนรีเสียชีวิตลง5คนแต่500คนก็ลุกขึ้นกลายเป็นกองทัพแห่งความรักครับท่านศาสตราจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงได้เขียนเล่าเรื่องหนึ่งครับที่สำคัญและประทับใจมากท่านเขียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อข้าพเจ้าแปลบทความบทหนึ่งจากหนังสือดื่มจากต้นกำเนิดของริเดข้อความต่อไปนี้ เป็นคําอธิบายที่ถวายเกียรติและเป็นความรักที่ประทับใจมากข้อความนี้เป็นเช่นนี้ครับหลายปีก่อนข้าพเจ้าอยู่ที่มณฑลเหอหนานได้สนทนากับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งท่านผูน้นี้ไม่ห่างจากแผ่นดินของพระเจ้าข้าพเจ้าพูดกับท่านด้วยน้ําตาไหลว่าข้าพเจ้ามั่นใจเชื่อว่านอกจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้ว พวกเราคนบาปนั้นไม่มีหนทางที่จะได้รับความรอดเขาตอบข้าพเจ้าว่าในปีเกินจือเนียนข้าพเจ้าเป็นข้าหลวงตรวจการที่มณฑลฉานซีข้าพเจ้าเห็นด้วยตาตัวเองว่ามีมิจฉาเนรีตะวันตก60คนถูกจับเข้ามาในที่ทำการรัฐบาลเพื่อรอการประหารชีวิต สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจมากคือไม่มีใครกลัวตายหรือร้องขอชีวิตพวกเขาไม่มีความวิตกกังวลแต่เฝ้ารอความตายที่จะมาถึงด้วยใจสงบเพราะเรื่องนี้ทำให้ผมเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร์ท่านเล่าต่อไปว่าขณะที่การสังหารกำลังเริ่มขึ้นมีเด็กผู้หญิงผมทองอายุ13าปี เดินมาถึงหน้าผู้ตรวจการถามว่าท่านทำร้ายพวกเราทำไมเสียงเธอดังมากแทบจะได้ยินทั้งหมดตึกหลังนั้นคุณหมอของเรามาจากแดนไกลมาเพื่อปฏิบัติประชาชนของท่านไม่ใช่หรือคนไข้ทั้งหลายที่หมดหวังได้รับการรักษาให้หายคนตาบอดได้เห็น มีสุขภาพแข็งแรงและมีความชื่นชมยินดีความสุขของพระเจ้าได้หลั่งไหลเข้าไปในบ้านนับไม่ท้วนท่านฆ่าพวกเราเพราะเราทำความดีเหล่านี้หรือผู้ตรวจการก้มหน้าไม่พูดอะไรเขาไม่มีอะไรจะพูดแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้จึงพูดต่อไปว่าคนจีนสอนให้เรากระตันอยู่ ดำเนินชีวิตในจรยิยธรรมที่งดงามความกระตันยูยูเหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นในมนทนของท่านคนหนุ่มเสพยาฝิ่นเล่นการพรนันเขาเหล่านั้นกระตันยูที่ไหนเขาเชื่อฟังพ่อแม่ของเขาที่ไหนพวกเรามิชนาีประกาศเรื่องพระเยซูเจ้าให้รับรู้พระเยซูเจ้าทรงช่วยเขาเหล่านั้น และประธานกําลังให้พวกเขาดําเนินชีวิตใหม่ให้เขารักให้เขายําเกรงพ่อแม่ท่านฆ่าพวกเราเพราะเรื่องเหล่านี้หรือพี่น้องครับทุกๆคําพูดของเธอนั้นแทงทะลุหัวใจของผู้ตรวจการทําให้เขารู้สึกทุกข์ร้อนและลําบากใจมากเหมือนเป็นการตัดสินลงโทษผู้ตรวจการเลยทีเดียวครับเหมือนหนูน้อย นั่งอยู่บนบันลังและผู้ตรวจการกำลังรับฟังคำพิพากษาแต่ภาพประทับใจนี้เกิดขึ้นเพียงชั่วครู่เดียวเท่านั้นทหารที่ยืนอยู่ข้างๆคนหนึ่งกระชากผมของเธอแล้วเอามีดฟันไปที่คอของเธอศีรษะของเด็กผู้หญิงอายุ13ที่เป็นชาวต่างประเทศนี้หลุด ลุดลงที่พื้นทันทีนี่คือการเริ่มต้นของการฆ่าฟันกันนักวิชาการที่เล่าให้ผมฟังคนนี้กล่าวต่อไปว่าข้าพเจ้าเห็นกับตาตัวเองว่าบ่ายวันนั้นทั้งผู้ชายผู้หญิง59คนถูกฆ่าตายก่อนตายใบหน้าทุกคนสงบจาใสมีรอยยิ้ม มีคุณแม่คนนึงอุ้มลูกเล็กๆอยู่ในอกเด็กนั้นกอดคุณแม่แน่นเมื่อมีดฟันมาทั้งเด็กทั้งแม่ล้มตายพร้อมกันความกล้าหาญความนิ่งสงบอย่างอัศจรรย์ทาให้ข้าพเจ้าต้องไปค้นพระกัมภีมาอ่านและเชื่อ พระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านศาสนาจันทร์ฟิลิปเทงได้เขียนไว้ในหนังสือ20กฎทองคําพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ที่พูดถึงเรื่องที่ว่าเราทั้งหลายต้องทนทุกข์ครับเพราะเหตุความชอบธรรมใครก็ตามที่ต้องทนทุกข์เพราะเหตุการประพฤติสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ชอบทําสิ่งที่อยู่ในน้ำพรไทยของพระเจ้าแล้วล้วก็เราจะเป็นสุขพี่น้องครับการเป็นสุขตามแบบพระเจ้านั้นแม้ว่าจะเสียชีวิตก็ตามแม้ว่าเราจะเสียเปรียบก็ตามแม้ว่าเราจะเสียล้ายสิ่งหลายอย่างไปก็ตามเราก็ยังเป็นสุขครับเพราะว่านั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าในขันธิกันครับความสุขนี้มันเกิดขึ้น แม้ว่าจะพลีชีพเพื่อองค์พยาสูก็ตามพระวจนะของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ41ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไป1กิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรมพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงการเดินกิโลเมตรแรกนั้นเป็นการเดินที่เกิดขึ้นโดยการถูกบังคับเป็นการเกณฑ์ถูกเกณฑ์ แต่กิโลเมตรที่สองนั้นเป็นความเต็มใจของตัวเองที่จะเดินไปเป็นความคิดสร้างสรรครับกลับกันจากการถูกบังคับซึ่งผู้บังคับเป็นผู้เริ่มต้นแต่ตอนนี้กลายเป็นเราครับเราเป็นผู้กระทาเองเราเป็นผู้กระทาด้วยความเต็มใจพี่น้องครับ เรากำลังสร้างหัวห่วงโซ่ใหม่แห่งการตอบสนองเป็นโฉมใหม่การกระทําใดๆที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีมูลเหตุซ่อนเร้นอยู่มูลเหตุเหล่านี้ก็คือการเชื่อฟังคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าความรักที่อยู่ในตัวของเราเราจะพบว่าสเตเฟนนั้นเมื่อเขาถูกเอาก้อนหินขว้าง ใจเฟพนพระกมีได้กล่าวไว้ในกิจการบทที่7ข้อที่60บอกว่าท่านนั้นคุกเข่าลงครับแล้วอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระบุญเจ้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เป็นคำอธิษฐานที่ประทับใจมากเขาขานรับการอธิษฐานขององค์พระเยซูเจ้าบนไม้ยันเขน็นพระเยซูเจ้าก็อธิษฐานขอพระบิดายกโทษบรรดาผู้ที่ตรึงพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาทาอะไรอยู่ พี่น้องครับพระไทยหรือหัวใจขององค์พระเยซูเจ้านั้นกลายเป็นหัวใจของสเตเฟนไปแล้วเช่นเดียวกันครับผมอยากจะขอให้หัวใจของพระเยซูเป็นหัวใจของพวกเราเหมือนกันเมล็ดพืชแห่งความรักของสเตเฟนได้หวานลงไปในใจของเปาโลครับเมื่อสเตเฟนเสียชีวิตเปาโลยืนอยู่ข้างๆครับได้เห็นด้วยตาของตัวเองได้ยินด้วยหูของตัวเอง แล้วเมเล็ดเพืชแห่งความรักนี้ได้เติบโตขึ้นในใจของเปาโลในที่สุดเกิดเป็นผลของการกลับใจใหม่อย่างอัศจรรย์พี่น้องครับความรักของใครบางคนการยอมเสียสละของใครบางคนการยอมอุทิศชีวิตของใครบางคนทําให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นลูกของพระเจ้านั้นได้มีโอกาสรับเชื่อพระเจ้าและได้มีโอกาสรับพระพรของพระเจ้ามาจนถึงทุกวันนี้ ผมอยากจะให้เราระลึกและขอบคุณพระเจ้าคิดถึงคนที่มีผลคนที่แสดงความรักให้กับเราคนที่เขาอุทิศชีวิตเลี้ยงดูเราคนที่เขาได้ยอมเสียสละความสุขหลายสิ่งหลายอย่างรับความทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เราเติบโตเพื่อดูแลจิตวิญญาณของเรา ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นครับที่พระเจ้าประทานมาในชีวิตของเราคนเหล่านี้แะครับเป็นคนที่ยอมเดินกิโลเมตรที่สองครับอันเกิดจากความเต็มใจแต่คิดสัจจ์ต้องการคนเหล่านี้มากๆครับคิดสัจจจึงจะเข้มแข็งคิดสัจจจึงจะเดินหน้าและแผ่นดินของพระเจ้าก็จะขยายต่อไปดวงวิ ญ, ญญาณอีกมากมายจะได้ดการดูแล จากคนเหล่านี้ให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอพระเจ้าทรงอัญมวยพระพรทุกท่านอาเมน